เทศธรรมปาไม่ได้ตั้งละมูลทะลึดนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กระุณนางนั่งตามสบายทำความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไมใ่ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจ คิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมก็พิรณาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอัดจสงธรรมก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสมองเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสแห่งธรรมสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับแล้ว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 ความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนานไม่จำเป็นก็มีศาสนานเป็นของจาเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนานไม่จำเป็นแล้วเราจำเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสำหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกียนต้องการสาระคุม้มแกตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมา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 เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายหลายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ท่านรับทานอยู่ที่จิบจับจับทั้งมันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสําคัญพอไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินในกายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสําคัญเพราะตัวเราไม่มีความสําคัญหาความทดสอบนได้ยา ีหากเราได้มาอดอาหารเพียงวันหนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจําเป็นอย่างไรบ้างคิดหน้าหนาเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจําเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าอย่างไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนน่าหน้อยเพียงไรถ้าหากเราตั้งข้อสังเกตในกิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เงินทองเข้าของที่เราช้าอยู่ในบ้านเรือนนองเราแต่พ่อยังยิ่งเงินแม้อยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้อออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการขั้งตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจําเป็นหากไม่มีสิง่งเหล่า น, นี้แล้วเราจะทํำยังไงต้องการอะไรก็ไม่ไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่ได้ติดตัวไปอถึงได้ที่เราเห็นว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องจะต้อง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 เพราะเป็นความจําเป็นไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดเจ้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสําคัญของถึงนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมือ้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ําแล้วควา ม, มหิวโหยจะแสดงขึ้นมากมาเพียงไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเพ่างไรนี่ ที่ย้อนเข้ามาถึงย้อนเข้ามาถึงศาสนาศาสนาที่ว่ามีความจําเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างสําสหรับบุคคลหรือไม่มีความจําเป็นเลยสําหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นสิ่งอื่นๆเราเห็นเป็นความจําเป็นด้วยกันทั้งนั้นดังโลกที่มีความจําเป็นพวกทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้วศาสนามีความจําเป็นอย่างไรบ้าง ศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารทิดอาหารธรรมนา ม, มาทำเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจําเป็นหากไมาจําเป็นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงปรารถนาความเป็นปราธธรดาเพื่อสั่งสอนโลกและพระอเคมาก็ไม่ปรารถนาเป็นความเป็นปรธธรรพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้ แล้วพระพุทธเจ้า พ, พ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะธรรมคือศาสนาในหลักธรรมชาติการแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาถ้ามันมีอันนี้ก็แก้ไม่ได้นันหลับทางด้านจิตใจ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 ศาสนาจึงควรแก่มนุษย์เราที้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวัานคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสริงแน่นหนามั่นคงคือสาระคุณขึ้นภายในจิตใจเราได้สร้างมากน้อยเพียงไรอะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกคร่องเช่สน ส, สาเช่นธรรมเป็นเครื่องบกคร่องภายในจิตใจ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 ตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตท่านเกิดน่าจะฐานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติถูกให้ดีนำเพนศีนธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจเพื่อใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลักใจเมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วเข้าไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบไหนก็ไปเถอะคนมีบุญแล้วไม่ร่มจง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 เมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการ น, นั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกหัดจิตใจธรรมดาของจิตใจต้องมีความคิดความตรุงอยู่เสมอบอกแกคลองแคนไม่มีอะไรคิดจะคิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจแต่เมื่ออาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคำบริกรรมแห่งธรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุโทโธหรืออนาปานาติเป็นต้น เข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับกรรมริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแลจะจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเองและเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพลีรล่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่ง เทียบเทียงหรือไม่ไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบ่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเทียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่า ร, อร้อนนี่มันดีหรือไม่ดีเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเทียบกันแลวเป็นคู่แข่งกัน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 ให้สร้างกุศลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉล้วฉลาดต่อความเป็นดุความเป็นไปของจิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้สร้างความแคลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระวิชาสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิ ม, มนต์ภาพกุศลาทำมายกบันไปยข้ามไปสวรรค์นิพพานถ้าจะหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลำบากทําใหม่ ทั้งอย่างหลงตาบัวนี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาเวลาลําบากลําบนเหนือเกินตายแล้วก็คือบวชถ้าัวตาไว้สักองหนึ่งพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์ปณิพาน์จะให้หมดตายแล้วก็คุศลาธรรมมาคุศลาธรรมาามาเรื่อยยกไปสวรรค์ปิพัน์นกันทั้งหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้าคุศลาธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทํายังไงไมันก็อย่างนั้นแหละยกมาตีกัมภีพระไตรปิฎกมาสวดกันนั้นก็เท่านั้นแหละ เพราสวดออกจากต่างที้ต่างหามันจะตํำาำัดที่เลียดศาสหาสำหรความทั่วของคนผู้นั้นๆได้อย่างไรทําท่านกราบที่เลีดของของผู้บําเพ็ญทำต่างหากการทําบุญให้ทานในขณะที่ตายแล้วไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ไมเป็นกุศลถ้าอยากจะเห็นความสาคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกว่าสร้างกุศลคือความพิาำให้เจตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลามกล า, ากุศลาอย่าจะไปรีตกวิจารจะไปห่วงไปห่วง เข้าวทีวเขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างให้ใหพอตั้งแต่บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สําคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้ ว, ลวไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี้ใจเรามันง่้นุ่มฉลาดความฉลาดในใจเราทุกวันนี้มีแต่ขีเล็ดพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะนั่นจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลำบากถ้าฉลาดด้วยทำแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความ ของใสมีความสงบเย็นใจภายในจิตใจนี่ชื่อว่าความถนัดในธรรมนาบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเยน็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลาธรรมมาพาอยู่พาไปจริงๆหลการเรียนให้ทํามคำพีเปนานนั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไหร่ประเดียนเถอถ้าไม่สร้างภายในจิตใจขึ้นอให้มีความเฉลียวฉนาดแจ็กขีดเด็ดอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกบคมภี์ไปห้าร้อยคำพีมันก็เป็นปนะแต่คมพีนะเจ้าขี้เดือกก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแตะ เฮ้ยอาจารสอนลงมาที่นี่อ น, นั้นเป็นเส้นพิษทางเดินาอาจารยให้เขามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายามันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนุ้นแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวกิเลสตัณหาสภาวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาสภาวะที่มีอยู่ในห น, น, นังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อความทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้จึงย้อนเข้ามาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ได้ให้ทันนี่ค่อผู้ฉลาดฉลาดฆ่าที่เละฉลาดฆ่าความโรคความปวดความหลงของตัวเองออกได้โดยลําดับลําดับก็ค่อยเบาไปเบาไปคนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลคเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโรคความปวดความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัย ธรรมะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งอย่านี้ให้มันหมดไปหมดไปแล้วความสุขไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองอืสร้างที่ตรงนี้จะให้ถึงเรื่องเวลาเอาเขา เ, าเข้าลงแล้วเข้าลงโ ป, ốc, ป, ốc, ป, ốc, ป ốc, ๊กปกโป๊รักศินะพ่อนะรักศิลนะแม่นะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอตถรรพทำจเอาศีลมาจากไหนจะไปรู้ศีลรู้ธรรมยังไงถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขนะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้ศีลรู้ธรรมภายในจิตใ ต, ตั้งแต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้ เต็มกติกำลังตนตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอะคนเราธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ทุกตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอดคนไปนู่นไี่ไปนี่ น, น, ไนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทําลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระเจ้าแต่สรู้จกนกระทั่งบัดนี้แล้วจะประกาศความจริงตลอดไปนอกจากจาิตใจของเรามันปลอมหมดทั้งดวงความจริงแทรกไม่ได้ท่านเรื่องความจำปลอมนั้นเข้ากันในวันย่างค่าความโกหก หลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆแต่ความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไาเพราะหูมันสกปรกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสกปรกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสกสกปรกแล้ววันยังข้ามันรับได้ทางนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแห่พันลิงทีเวลานี้จิตใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นแบบแหพันลิงหรือมันเป็นแบบไหนเราคนพิสูจน์เราเราเป็นผู้เรียนทําป็นปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าไม่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 คือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันยัางข้ามมันก็ทุกอยู่นั้นแหละไปพบไหนก็ไปเธอเรื่องความจริงก็ต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นแหละหาความถูกไม่ได้ไอความเจ็ดขันปั้น ย, อย้อนหรือความรำพันตนเนี้มันหลอกเอีเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนักให้ดูจิตใจตัวที่แบกทุกแบกทุกอย่างเนี่ยส่วนมากมันแบกแต่ทุกให้ดตูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดลราฉลาดจริงไหมอ่ให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดันดับแล้วมันจะสบายหายห่วงไปแต่ก็ตายไปเธอ ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่เทียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกลัวเป็นไปไหนกลัวไปไหนมัไไนก็อยู่กับเราเราวิ่งความตายมัก็อยู่กับเร า, า, ม, ามันก็วิ่งไปตามเฮานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งฮะเฮาเดินความตายก็เดินมันเดินไปด้วยตามเราพอถึงวาระสุดท้ายแล้วตายเกิดการตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียออันไหนที่จะเป็นตาเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่เต็ม มันได้อะไรเป็นสาระอย่างสาระอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลากแหลมคมที่ฝุดแก้กิเลสจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราพูดที่รักข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราท่า น, นั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้เราเจอหวังความสุขกำเนิดจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนฮมันไม่มีทั้งนั้นละ่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเอง เสียตั้งแตมีชีวิตยอยู่นี่ชื่อบุคคลฉลาดฉลาดอย่างนี้แล้วการแสดงธรรมนี้ก็ต้องขออภัยเช่นพุโทพธโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธมีความรู้สึกอยู่กันั้นเห็นไมเมื่อคำใบกำลังเราถึกต่ออยู่ด้วยควา ม, ม ร, รู้คือสติดูกับงานนี้แล้วโดยสมัำเสมอแล้ ว, ลวความรู้สึกที่มันเคยคิดชร้างใ น, นที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวขึ้ามารวมตัว ถ้ามาสุ่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบวิจิตรวมหมายทั้งอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานัหนักการที่เราจะเห็นความแปะภายในตวัวเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนท่านที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงไมีแต่รู้เลยถือเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี้ก็คือตูวรูปเองเมื่ออันนี้มันฉลายแล้วตัวรูปมก็หมดปัญหา ต้องขยายไปด้วยการเป็นลนักษณะอย่างนั้นคนที่ ท, ที่ที่มีความรู้สึกรู้มีความเห็นว่าตายแล้วสูญมากประชิดอย่างนี้เพราะจับตัวตัวสําคัญ น, นั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญนี่ไ่ะนั่นแหละพูนั้นแ่ะพูะพไม่สูญพูดว่าอว่างนั้นแหละแต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนห ล, ลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าสูญเฮ้สูญไหมครั่ทั้งที่พูดนี้ไม่สูญ เวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าปหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปเพราะว่าถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วใครจะพูดละไรไม่สนใ จ, จตังเพราะความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่ลแล้วที่ต้อยากฝากเพียงว่าการเดินโยนกลมเดินที่กีดายที่จะถูกนะกีดายของการเดินโยงกลมก็เราก็เดินกลับไปกลับมา แต่ความระลึกลู่เราให้ที่จิตทํางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเส้นกําหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธเขาเดินกลับไปกลับมาเกาทุกอาการของการเดินนั่งอาจจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธิเพชรหรืออะไรนั่นด้วยความเสมอ ของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ยถ้านั่งกรบเพี่อมนี่มั น, น, น, น, น, น, มนจะหนักทางด้านนี้นั่งทับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันก็มันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการ น, นั่งขัดสมาธิาที่นี่ยในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเานั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พริบเสียวกระพริบเขียวนี้เราไม่ทราบ แล้วก็เห็นก่อนต้องขันต้องการนั่งสมัคเวลานั่งนานนึงมันมันลงเสมอกันขณะที่กาหนดจืดยอพุทธเาพุทธาเป็นที่จะต้องทราบตัวไหนใดข้อออกราต้องการทราบก็ก็ได้ไม่ถัดข้อง ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันตแต่ถ้าเวลาบตให้ทท่อทกอย่างเดียวอาจาอยู่ัทอย่างเดียวยที่ไม่ันอกข้อกจะไม่จะไสะดวกกอกอันนี้ถ้าเป็นตามมัธยสัยเจ้าขอ ง, องนะถ้าจะของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ <c oughs> ก็ยึดเป็นนั่นไว้อันนี้มันมันตามมัียสายพือจะดีทแสงของเราไม่เหมือนกันเห็นเราเกิตั ก, กําหนด พุโทโธคือกำหนดลมให้ใจตามด้วยพุโทโธนี่ก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุโทโธก็ได้หรือจะสังเกต ด, ดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่ต้องอาศัยคำมริกรรม